นี่ขึ้นมุส า, าวัตวังมุสาวัติวังนะครับนยเปไปที่อุ่บสมวิถีหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับข้อที่สามต้องใบ ป, ปานตีในข้อการพูดส่อเสียนยุโยงที่สุดสอเสียนยุโยงให้ข้อแตงกันนะครับส่อเสียนไม่ใช่เสียดสีนะเสียดสีเสียแทงในฐาแนแรกในข้อสองอันนี้สอเสียนมาเห็นการยุโยงให้ทีสุดแตงกัน ก็อธิบายเนีวยพ่อสุธรรมวินิจข้าวๆนะครับม า, จากจะเห็นสองประการเห็นประการแรกคือต้องการให้อตอนเป็นที่รับของ ฝ, าฝา่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี่นต้องการให้ตนเป็นที่รับอีกอันหนึ่งต้องการให้ทั้งสองฝ่าย แ, แต่งแยากกาันตอนแรกเพราะว่าเมื่อตัวแรงไปยุยกไม่เข้าแใจกันแล้วใช่ไหมคิดว่าอีฝ่ายจะมาชอบมีใจแทนจะได้แตกคนะนั้นนี่นะและอี ก, กรณีหนึ่ง ไม่ไต้องการให้ใครมาชอ่องตนหรอต้องการเขาแตกแยกแตกสามัคคีกันนะ mm hmm. ตอง น, นี้เนี่ยมาเยาได้เห็นของประจํานะครับโทรข้ามก็ได้โทรศัพท์ก็ได้อันนี้นะครับก็ต้องมาปาสิบปีมาดูต้นบรรยัติว่าใครเป็นต้นบรรยัตญญิในสาขาบทนี้ต้นบรรยัติก็คือมาจากพระเจ้าปัญคีโดยสมัยนั้นพระ่าพษะเจ้าประทําอยู่หน้าพระเจตะวัน อาลของนาฏยาุติกาข้ามบดีเข็บพระนครสามวัทีครั้งนั้นพระจักรพรรดิเกตอาคาสอดเสียดของพวกวิสุผู้กอ้องความหมากหมาเกิดทะเลาะถึงวิวาสกันไปบอกครับคือมีผ้าเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาสหมากมมาอะไรกันนะแล้วมีการพูดด่าว่ากันพระจักรพรรดิก็เอาคำที่เขาด่าว่านะไปยุยงให้เขาแตกแยกกันให้เขาแตกกันหนักขึ้นนะ คือฟังคําของฝ่ายนี้แล้วไปบอกแก่ฝ่ายนู้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้ฟังคําของฝ่ายนู้นแล้วบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายนูน้นครับเพราะเหตุ น, นั้นความบาดหมาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็แรงยิ่งขึ้นมีแต่พู้นั้เข้าแต่เนี่ยกนะบรรดาพิจิตรผู้มากน้อยขนโดดแต่ก็เพ่งเต่าจิตเตรียมพัฒนาแล้วก็การพูดเนื้อความนี้พระเจ้าทรสร้างครับ พุทธ rings, องค์ก็ไปทรงสงส่งสอบถ ท, ท้าทรงติดเตรียมพวกประเจ้าปั้งขีแล้วก็มายาสิขาบมุนี้ขึ้นมาครับเนี่ยท่านก็บอกว่าสอบเสียนนะสอบเสียนิขยายความว่าวัตถุสำหรับเก็บมาสอบเสียมีได้ด้วยการสองอย่างคือของคนผู้ต้องการใช้ให้เขาชอบนะครับต้องการแค่ใจหนึ่งชอบตอนแล้วของคนผู้ประสงค์ใช้ให้เขาแตกกัน น, นี่แค่ยังมันยู่ในตังขครับเรื่องการส่อเสียเนี่ยความยังมีสืเนื่องมาจากข้อที่สองนะข้อที่สองเรื่องการ ด, าด่าที่ท่านจะอธิบายว่าต้องเอาคําด่านะครับที่มีในพระบาลีนะไปส่อเสียที่จะเป็นระบีบไปอีกทีนะครับถ้าเอาคำดา่านอกพระบาลีนะไปสอยุยงน ะ, ะให้เขาแตะหญ่กันอันนี้จะต้องบัทุกดอ่านแบัตรบอง ไปว่าสืงมันจากพ่อเกาะเนี่ก็โดนแล้วนะเขาจะแต่งไม่แต่ไม่เกี่ยวนะของผ้าถ้าครบองก็ก็เป็นนะถ้าจะแต่งไม่แต่งไม่เกี่ยวันี้ขอให้เขาเข้าใจฝามันแล้วกันเขาไปพูดยุยงให้เขาแต่งขาก็รู้เรื่องที่มาว่าฝานั้นว่งอะไรอย่างนี้ฝานี้ว่าอะไรนั้นนะเด้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนยุยงแค่นี้ก็โดนแล้วถ้าจะแต่งหรือไม่แต่งไม่เกี่ยวมันต้องมีเจตนาที่ ต้องการเข้าแต่ใหญ่กันที่นี้นะครับมาดูนะถ้าในข้ามานี้นะคําว่าเป็นสุญญ์เยเป็สุญเยเป็นสุญเยในแปลว่าคําที่นะครับอทําให้เปคือความเป็นที่รักให้ศูนย์สลายไปเปแปลว่าความเป็นที่รักสูญยาก็สูญคําพูดที่ ทำความเป็นที่รักให้มันสูญหายไปเนะีะมาเพราะว่าทํำให้อะไรความรักใครเนี่ยนะครับมันหายไปการเป็นคาแตกแยกนะเนี่ยเนี่ยมีที่ไปที่มานะครับนี่ท่านก็อธิบายน้อสามอธิบายเป็นสัญญาศึกขาหมดพึงทราบอธิบายศึกษาข้อสาต่อไปคําว่าพิขุไปสุเยแปลว่าเพราะยุยงพิศโซเสียพิสุ ขยายความว่าพิสุใดได้ยินคําพูดของพิสุอีกรูปหนึ่งผููด่าพวกพิสุอยู่ด้วย อ, อัตตนะคตอสกามะถุมะถุสำหรับด่าก็ของด่าเ ม, มานะด่าด้วยชาติชื่อโคนะครับตระกูลงนะานเะป็นต้นนะจนถึงคําด่านะเนะนี่ยนะเรื่องที่ใช้ดาช่ากระทำถิ่นชาติเป็นต้น ไม่ได้โกรธนะอันนี้ไม่ได้โกรธนะพ่อเ้าไม่ได้ด่าตนตัวเองไม่ได้โกรธแต่ไปได้มีข้อหน า, ากันหรือว่าด่าน้ําหลังนี้น ะ, ะเพราะต้องการจะให้พิสูจที่ถูกด่ารูปแปกรูปมนึชอบใจตนเองนะครับนะต้องการให้ชอบใจตนเองหรือเพราะต้องการให้พิสูจนนั้นเกิดความแตกแยกกันนะจตนาทไม่ดีนะครับตอนแรกไม่ได้โกรธหรอกแต่ว่ามีความประสงค์ไม่ดีอย่างนี้ เพราะพิสูจน์นั้นส่อเสียคือยุโยงหรือยุแย่พิสูจน์ด้วยกายหรือวาจาอ้างคําที่ตนได้ยินมาไปยุ่งแย่พิสูจน์อันนี้ต้องบัปดปากิตติเดี่ยต้องปากิตีิแล้วเหตุเกิดได้ประเภทอาบัติคานบทนี้พุทธภาคเจ้าทรงปลาว่าพูดพิสูจน์เฉพะีในเมืองสาวัตถีทรงมาอย่างัติแล้วต้องเหตุคือการส่อเสียพิสูจน์เป็นสาธาหน้าบัญญัติอันนี้พิสูจน์นี้ก็มี โดนการนนัะ่ไปอีอานันติกาไม่เกี่ยวการใช้ต้องเป็นคนไปสอเสียเองถึงจะไปอาบัตถ้าใช้ผืนเป็นสอเสียตัวเองก็ไม่ต้องอาบัต น, นะครับไม่ต้องอาบัดไปดีดีแต่จะต้องอาบัตทุกด น, นะครับเพราะว่าไปใช้เข้าสมาทานในสิ่งที่ไม่สมควรนะแล้วนี่ก็ต้องหมดผู้กดเมื่อพิสุนําเอาคําพูดของพิสุผู้ใดพวกผู้ต่อไปนะ อของวิสุทธิผู้ด่าอยู่ด้วยการอ้างเหตุอื่นโดยในดังกล่าวแล้วในสิขาบทที่พันมากก็หมายความว่าเอาคําที่เขาด่าอ้อมๆนะครับเขาไม่ด่กตรงๆเช่นเขาด่าว่าอะไรรู้หรือป่าว่าที่สูจน์ในคำวินัยนี้นะบางพวกนะเป็นพวกคนจนธาตุเ น, นี่ยต้องการพูดกระทบเคขาแต่ไม่ได้ด่าตรงๆนะคราบทำเป็นอ้างนี่นะ หรือเปล่ามีพิสูนทางวินัยหรือว่าพวกเราไม่ใช่พวกคนจันทาหรอกนะเนี่ยต้องการการครบครนครับพวกช่างไม้ช่างไม้นี่ยังโดนนะโดหมวกนะครอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้อ้างนะครับพวกชาวนพวกเราไม่ใช่พวกชาวนาอันนี้ม่ได้อ้างเห็นอย่างนั้นนะครับก็ด่าเอาคาด่าทีาด่าตรงๆมา ยุยงเลยไปสอนเสียก็ดีนําเอาคําด่านะครับอ๋ออันนี้นะอันเมื่อนกี้หมายความว่าเอาคําด่าอ้ออ๋อนะครับมาด่ามายุยงนะนําเอาคําด่าที่ไม่ได้มาในพระบาลีไปสอนเสียดก็ดีเหมือนเช่นที่มาวม่าเนยนะเขาว่าไอ้โ ง, ง่นี่ยนะไม่ได้เป็นคาําด่ามาใพระบาลีไม่มีครับมาในพระบาลีแต่ไอ้นะเจ้าเป็นคูเจ้าเป็น แค่เป็นลาอะไรที่ไม่รอบแล้วเป็นสัตว์ในควายกไม่ดนแ่วเนยโดไม่โดยไฟปีเลยมีอาบัตทุกกนะครับนี่ไงก็ไม่พ้นนะอือทีไมควายไม่ได้ไม่ไม่มบาหีครับไม่โดยไฟปีนะแค่คำนั้นไม่ไม่สงเะห์คุอเนี่ยเป็นอาบัติอยู่แล้วนะ แต่บอกไม่ได้ไปจริงนั่นเองเป็นอาบาัตทกตกจะบังมาหน่อเพราะว่าเป็นคำหนาที่ไมนได้มาพระบาลีแต่ถ้าเจตนาเจียนาก็หยามนะเป็นอกุศลห น, น้าทานะแล้วก็เป็นกรรมบทใช่ไหมพ่อหนครับอันนี้พูดถึงในะครับนิยามของอาบัตแล้วก็อยู่เป็นทุกตกสอเสียดอุอนุปสัมบัณ น, นะครับผู้ไม่ใช่ภาคพิสุก็ดีตั้งแต่สมัมมาเนตั้งแต่พิสุนีลงไปเลยนะครับ ยิ่งโยกให้พิสุนีเนหรือว่าคารวาญาโยข้อแต่งใหญ่กันนะอันนี้ก็ต้องอาบัตบทกฎนะครับในสิทธาบทนี้ถึงนางพิสุนีก็จะอยู่ในฐานะเป็นอนุประสัมบันเหมือนกันเมื่อสิทธาบทนี้ไม่อยากนะอ่า น, น, นได้เลยอนามบัตนะครั บ, นนน บ, รรบพิสุไม่ต้องอานบัตเมื่อพูดโดยไม่ได้มีความต้องการจะทําตนให้เป็นที่พอใจมเมื่ได้มีจิตคิอย่างนีะครับ พูดไปโดยไม่มีความต้องการจะให้เกิดความแตกแยกกันนะครับไม่ได้มีความประสองค์อย่างนี้นะว่ากาอยู่ครอบเป็นผู้มีปกติติเตียนคนชั่วและพิสูุบ้างเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัต น, นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไงไงนะแต่กระคาท่านจะอธิบายนะครับหมายก็ว่ามีพิสุรูปหนึ่งนะท่านไปเห็นผ้าอีกรูปหนึ่งถ้านบอกว่าอา่าไม่เป็นอามบัตแก่พิสุผู้เห็นพิสุรูปหนึ่ง กำลังด่านะกําลังด่าอีกรูปหนึ่งนะแต่รูปที่ถูกด่านอดทนได้นะครับรูปหนึ่งอดทนได้นะแล้วกล่าวแต่รูปที่เห็นเขาโดนด่าทนไม่ได้คนนี้โดนด่าทนได้นะครับแต่คนที่ฟังะทนไม่ได้นเพราะอะไรเพราะตนเป็นผู้มักติเตรียนคนชั่วอย่างเดียวเนี่ยพูดด้วยความที่ตัวเเป็นคนปกติอย่างนี้นะ ติเตียนคนช่วยใครทำดีไม่ได้ก็จะติเตียนนะครับโดยทํานองอย่างนี้ว่าโอ้คนไม่มีอย่างอ่านจับสาคัญคนดีชื่อแม้เช่นนี้ว่าตนควรว่ากล่าวได้เสมอนะครับเนี่ยนะ ก, ก็ไปว่าคนนั้นหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธรรมเลยแต่ถึงคือมีพระว่าพระอีกองหนึงแล้วองค์นึงไม่เห็นแล้วคนไม่ได้กับพระองค์นั้นไปนว่าอีกองหนึงแล้วไ ง, ง แล้วนัก็ว่าผ้าองนั้นแหละผ้ า, าที่ไปดาา่ารับใช่ผ้าองที่ไปดา่าเขาอะไรที่ดา่านี่ก็ด่าเพื่อเตือนเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ดา่าไอ้ น, น, อ น, นี่นะฟังไนี่เราห น, น่อย<ม>คือเอาผ้ากอผ้าขอเลยนะผ้าคกอเนี่ยตั้งใจจะดา่าผ้าขอตรงๆเลยอืแต่ว่าผ้าขอเนี่ยเป็นคนที่มีขันตีมีความอดทนสูงท่านไม่โกรธท่านทนได้แต่ภ้าคอเนี่ยที่ทนไม่ได้ เห็นว่าพฤติกรรมของภาคกรมันมีดีภาคขอเขาเป็นคนดีขนาดนี้ไปว่าเขาได้ยังไงภาคคอนี่ก็เลยไปว่าภาคขอภาคกรว่าเปนคนไม่มียางอายน่ะทําไมคนดีขนาดนี้ถึงได้ไปว่าเขาได้าเนี่ยนะเพราะคนไม่มียางอายเป็นอย่างนี้แหละแม้คนดีขนาดนี้ก็จะไปว่าเขาได้ท่านก็ไม่ได้ต้องอางบักนตรไงเพราะเป็นคนที่มีปกติติดเตียงคนชั่วเราก็จะเห็นว่าบางคนเ่าจะมีลักษณะนี้ใช่ไหม เวลาใครถูกรางแจดดนาถูกว่าโดยที่มันเป็นธรรมนะเข้าจะทนไม่ได้เข้าจะไปช่วยปกป้องว่าอะไรบ้างนี่นะเนี่ยท่านก็ไม่ต้องอะไรอีกแลบวอนนีลอาจารย์่าถ้าตกันข้ามคือองค์ที่ไปว่าเนี่ยว่าดีนั่นแหละว่าองค์งขอครกจริงแต่คอไฟรู้สึกว่าทำไมต้องว่าขนาดนี้ในจริงเจนาเนีจว่าเพื่อจะเตือนแต่คอไฟไม่พอใจแล้วไปด่าอไก่ได้ยังไงแล้วค อันนี้ถ้าไปด่านก็จะโดนข้อนะครับถ้าไปด่านริงจะโดนข้อเนาะแต่ประเด็นที่ไม่ผิดขอความไมผิดขอควา ม, มผิดแต่อีกประเด็นประเด็นหลเนะี่ยขอความผิดใช่ไหมคะต้องดูที่เจตนาให้ดีเจตนารับเป็นอย่างเงนี่นั่นพูดถึงมีบางคนเป็นคนชั่วก็เลยพูดอย่างนี้ไปแต่ท่านไม่รู้เมื่อไหร่ว่ า, วาจริงๆก็ขอครามผิดแต่ขอความเนี่ยเป็นยังไงก็ก็ด่านไม่ได้นะกองวามก็ไม่ควรจะด่า ข้อดาก็เป็นอาวะคือวาอาจจะเป็นคาพูดที่ค่อนข้างแรงคาตาหนิตีเตียนนช่ไหมก็เลยทนไม่ได้ก็เลยไปว่าใส่ว่าถ้าไม่ใช่คำดาก็ไม่เป็นนะก็ตีเตียนคุยบ้านใช่ไก็ไม่เป็นต้องเป็นลักษณะคำด่างนี่แหละเด็กตีการตีเตียนจะรบกวนท่านทำให้คุณพ่อในที่นี่แล้วโอทิมว่าขอฟเป็นง้ บางที่ว่าคอควานนี่ยคือเขาโคควานแล้วว่าคอใครก็ไม่เป็นนะไม่เป็นนะครับแต่ถ้าไปด่าตรงนี้นะถึงจะเป็นถ้าไปด่าเป็นนะเป็นแต่ถ้าพูดไปเพราะว่ามีปกติติเตียงคนไี่ดีนะอันนี้ไม่เป็นหรอกแต่มันจะลักษณะต่างกับที่ว่าด่าถ้าด่าคือว่าด่าไปนะเนี่ยอืมเจ้าว่าบางที่นักเจ้าเป็นอูน่ะมีไอสัตว์อะไรนะ จะมีมีนะคำหนากพวกนั้นนี่ยเก็น้งก้าวเขาไมมีควายนะใชควายเป็นโค้งควายเรือันสมนั้นอาจจะไม่มีควายใช้ก็ได้ลูก้าแค่ไหคือคนอินเดียเขาไยอมใช้วัวใช้สารพัดเลยน ะ, ะถ้ามายุคบ้านเราโหย่านะใช่ใช่ใชไอ้อ <c oughs> ูดนี่โอนงมากไม่สะเทือนแล้วค่ะเก็้ด ต่อไปนะครับมาดูองอาบาัตทีนี้ <c oughs> องอาบัตรสิครับวันนี้มีองสามเหล่านี้คือหนึ่งได้ยินพิสุก่าอยู่ด้วยคําด่าตรงๆกระทบถึงชาติเป็นต้นเนี่ยมันต้องมีการได้ยินนะฝ่ายใฝ่ายหนึ่งว่ากันตัวเองไม่ได้ยินเข้าแล้วนําไปสอนเสียพิสุสองมีความต้องการจะทําตนให้เป็นที่พอใจเนี่ยมีใจอย่างนี้ <c oughs> หรือต้องการจะทําให้เกิดความแตกแยกอย่างไรอย่าง เนี่ยเห็นว่าสองคนนี้เขาอะไรนะเขาคุ้นเคยเป็นเพื่อนสือเฉลิมกันดีใช่ไหม mm hmm. แต่ตัวเองต้องการให้อีกฝ่ายมาคุ้นเคยมาชอบตอนนี่นะ mm hmm. ก็เลยต้องให้เข้าแยกแต่งแยกกันก่อนใช่ไหม mm hmm. อีกฝ่ายจะมาชอบตอนก็เลยทำนะครับหรือว่าต้องการเข้าแต่งแยกกันเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสามพิสูจ์ที่ถูกสอเสียเข้าใจความนั้นก็ต้องเข้าใจด้วย อันนี้มันก็องศาก็ต้องเอาแบบไปตีในสิขาบนนี้นะครับเขาจะแตกหรือไม่แต่งก็แล้วแต่นะแค่ได้องศาเลยครับอันนี้ก็ต้องเอาแบบแล้วใช่ใช่ใช่ใช่นล้วมีอะไรต้วงดูหน้าของทศนะได้นะได้นะนั่นก็ไปหน้อินช้าก็ได้หรือว่า อาจจะไม่พอใจพวกนี้อยู่แล้วนะกลยุทธต้องการเห้าแตกแยกกันนั่นหลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุสมุทรฐานเป็นต้นเหมือนกับแนทินนาคาสกขาบทนั่นเองและเพื่ออะไรครับสมุทรฐานแน่ทินนาคาสมุทรานไอ้ค <c oughs> สมุทรฐานแม่ทินนาชา เมื่อวานครับการจิตเขาวาจาจิตเขาการวาจาจิ ต, ตองมีจิตอยู่แรกใช่ไหมจิตที่เป็นโลภะอิจษาที่ต้องการให้เข้าแต่กแยกหรือว่าอิจฟันเป็นที่รังนี้ต้องมีจิตนะมีเจตนาถ้ามีเจตนาก็ไม่โดนนะท่านนี้การคือเนี่ยยุยงให้เขาแตกไม่ได้การก็ได้นะวาจาก็พูดออกไปทั้งการและวางจาก็ทั้งทําไม้ทํามือแล้วก็ทั้งพูดด้วย<ม>ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็โดนนะ ก็ถ้าเกิดเข้าแตกแนี่นถึงครับเป็นสารพัดนี่ก็หนักอีกใช่ไหมครับหนักหนัหนอันนี้เป็นกิริยาต้องต้กงการทำนะสัญญาไม่โม้ค้นได้เพราะไม่มีสัญญาไม่รู้นะครับคือไม่มีจิตนานีไม่ต้องบอตบััตจิตการนะครับ <c oughs> ต้องมีจิตนาอย่างนี้ถึงจะต้องบัตรเราถามว่าชาติเป็นอ ก, กุศลนั่นจะอย่างเดีอันนี้ กายกรรมก็ได้พรจีกรรมก็ได้อาจจะสมนต์จิตโลภะหรือว่าโทสะก็ได้นะครับมีเวทนาสามชนิดเลยจบการอธิบายเป็นสุญญสิกขาบทนะครับข้อนี้ก็จบนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคําของฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเลยเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะแล้วก็ไปพูดในฝ่ายฟังว่าคนนั้นเขา้าหาเข้าว่างคนอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเองนะครับขออ้อนนี้ก็จะไปโดนอาบัตไปอีกีพ่อเมืองสาว่า ไปโดยข้อนั้ น, นครับยังไงก็ก็ไม่พ้นนะก็โดนหมุนนะครับ